วันนี้ก็จะได้กล่าวเรื่องพระสูตรที่เรียกว่าจุลกรรมะวิพังกสูตรคือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกกรรมสูตรเล็กพระสูตรนี้ทรงแสดงแก่สุภามานพบุตรของโตตยพระรามคือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวัในใกล้กรุงสาวัตถีสุภาพมานบุตธของโทเตยพรามณ์ได้เข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าทำไมคนในโลกนี้จึงแตกต่างกันคือบางคนมีอายุสั้นบางคนมีอายุยืนบางคนมีโรคน้อยบางคนมีโรคมากบางคนมีผิวพรรณดี บางคนมีผิวพันธุ์สามบางคนมีศักดาน้อยบางคนมีศักดาสูงบางคนมีโภคะน้อยบางคนมีโภคะมากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนมีปัญญามากพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งโดยสรุปว่าดูก่อนมนุษย์สัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมทำหน้าที่จำแนกแบ่งแยกสัตว์ให้เลวและประนีตแตกต่างกันสุภาพมานพกราบทูลว่าโรงรับสั่งสั้นเกินไปท่านไม่เข้าใจก็ขอให้อาถธิบายให้พิสดาน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้สุภาพมานพตั้งใจฟังให้ดีและจากนั้นก็ส่งจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารเป็นคู่คู่ไปนะครับโดยเริ่มต้นจากอายุสั้นกับอายุยืนเหตุที่ทำให้บุคคลมีอายุสั้นนั้นทรงแสดงโดยสรุปว่า เพราะว่าคนเหล่านั้นมีการฆ่าสัตว์มีการทำลายล้างชีวิตสัตว์อื่นเป็นผู้ที่มีจิตใจมากด้วยความโกรธมากด้วยความพยาบาทมีมือเปื้อนเลือดนิยมยินดีในการฆ่าการทำลายชีวิตสัตว์อื่นบุคคลเหล่านี้เมื่อแต่กายทาลายขันไปแล้ว ก็จะบังเกิดในทุกติวินิบาตนรกหรืออสุรกายอย่างใดอย่างเนึแต่ถ้าหากว่ากมไม่รุนแรงพอที่จะไปเกิดในอบาบเช่นนั้นก็จะบังเกิดมาเป็นมนุษย์แต่จะมีอายุสั้นพลันตายคือจะตายเร็วส่วนบุคคลที่มีอายุยืนก็คือมีนัยยะตรงกันข้าม ก็ได้แก่เป็นคนที่ประกอบด้วยเมตตาในสรรัปสัตมีความสารวมระวังไม่เบียดเบียนไม่ทำลายสัตวเออสมาธานศีลในข้อที่หนึ่งคือปนานาธิบาตงดเว้นจากการทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตคนประเภทนี้เมื่อ ตายไปก็จะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าหากว่าปริมาณของบุญไม่สูงพอก็จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดแล้วก็จะมีอายุยืนนี่ก็เป็นคู่แรกคู่ที่สองที่มีโรคน้อยที่มีโรคน้อยกับมีโรคมากเพราะผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงว่า บุคคลที่เกิดมามีโรคน้อยนั้นก็เพราะว่ายินดีในการเบียดเบียนในการประทุษร้ายสัตว์คือการเบียดเบียนได้แก่การทำให้บาดเจ็บรือไม่ถึงกับฆ่าในประเภทแรกเห็นว่าทำให้เกิดความทุกข์ทรมานโดยการทรกรรมสัตว์โดยการเบียดเบียนสัตว์ทำให้เดือดร้อนในการกักขังเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ถ้าหากว่าทาแรง ตายไปก็จะตกกระบายเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่แรงเกิดมาก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเสี่ยนส่วนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนก็คือตรงกันข้ามในแก่มีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่กระทบกระทั่งคือทำสัตว์เหล่านั้นให้เดือดร้อนตายไปก็บังเกิดในสุขติถ้าบุญไม่มากพอก็จะเกิดมา มีสุขภาพพลานาไม่ดีไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเปี่ยนเปลี่ยนคู่ที่3คือผิวพันธุ์สามกับผิวพันธุ์ดีส่งแสดงว่าคนที่เกิดมามีผิวพันธุ์สามนั้นก็เพราะว่าเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีโทสะเป็นเจ้าเรือนเป็นคนที่โกรธง่ายโกรธแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้ที่เรียกว่าผูกโกรธ โทษของความโกรธถ้าแรงมันก็ตกอบายเหมือนกันแต่ถ้าไม่แรงเมื่อเกิดมาแล้วก็จะเป็นคนมีผิวพรรณซามคือมีผิวพรรณเศร้าหมองไม่สวยงามส่วนที่ตรงข้ามคือมีผิวพรรณงามก็เป็นจิตที่ตรงข้ามคือประกอบด้วยความเมตตามีความเอ็นดูมีความมนุเคราะห์คนอื่นในสัตว์อื่นคนเหล่านี้ถ้าหากว่า คุณธรรมเหล่านั้นสูงเมื่อตายไปก็จะบังเกิดในสุคติแต่ถ้าหากว่าไม่สูงก็จะบังเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามีผิวพธุ์งดงามคู่ต่อไปก็คือศักดาใหญ่กับศักดาน้อยคือหมายถึงว่าเกิดในสกุลที่มียศมีอำนาจในสกุลที่สูงซึงเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมพวกที่มีศักดาน้อยก็ทรงแสดงว่า หมายความมาเกิดมาในสกุลต่ำที่ไม่มีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมก็เพราะผลคือความอิจาริษยาในความดีในการกระทำความดีของบุคคลอื่นเห็นใครทำความดีเห็นใครได้ดีก็อิจาริษยาในความดีเหล่านั้นเมื่อตายไปก็ตกนรกเหมือนกัน คือไม่จะตก น, นรกเอ่อบังเกิดในทุกขติเวนิบาต น, นรกก็หลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของความริษยาแต่ถ้าหากว่าไม่มากพอตายแล้วก็จะไปเกิดในเป็นมนุษย์แต่ก็ในสกุลจีต่ำส่วนคนที่เกิดในสกุลสูงที่เรียกว่ามีศักด์ดาสูงก็ตรงกันข้ามคือไม่มีความอิจาริษยาบุคคลอื่น ประกอบด้วยมุติตาจิตพร้อมที่จะชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการดีในการกระทำความดีของบุคคลอื่นเมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติแต่ถ้าปริมาณของกรรมไม่สูงพอก็บังเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเกิดในสกุลที่มีศักดิ์า ส, สูงก็เรียกว่าเป็นมนุษย์กึ่งเชพเส่วนคู่ต่อไปก็คือคู่ มีสติปัญญาน้อยกับมีสติปัญญามากส่วนคู่ที่มีโภวข้าน้อยกับโภค้ามากนั้นก็ทรงแสดงเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าในพระสูตรนี้ไม่ได้แสดงเป็นแสดงแก่พระนางมารีกาโดยคำถามในลักษณะเดียวกันเราก็เอามาลงในตอนนี้ก็ได้คือว่าคู่นี้ได้รับสั่งแสดงว่าคนที่เกิดมาในสกุลที่มั่งคั่งนั้นเพราะผลของการให้ทานโดยความเอื้อเฟือ้อ คือสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นโดยความเอื้อเพื่อที่จิตประกอบด้วยเมตตาและกความเสียสละส่วนที่เกิดมามีโภคาน้อยก็ตรงกันข้ามคือประกอบด้วยมัทเิรยะความสนีเหนียวแน่นมีความหวงไม่ยินดีในการเสียสละต้นคู่สุดท้ายคือคู่มีปัญญาน้อยกับปัญญามากอสง์แสดงว่าคนที่เกิดมามามีปัญญาน้อยนั้นเพราะผลของอดิจกรรม ที่บุคคลเหล่านั้นไม่ยอมเข้าหาสมาคมคบหากับสัตบุรุษไม่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงเรื่องสี่เรื่องด้วยกันคืออะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรควรเสพและไม่ควรเสพอะไรเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความทุกข์อะไรเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความสุข เมื่อเมื่อไม่เข้าหาไม่สอบถามไม่ศึกษากับสัตบุุษก็ประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนโอกาสที่จะพลั้งพลาดมันก็มีได้ง่ายคนเหล่านี้จึงมีสติปัญญาทึบเมื่อเกิดมาก็จะมีสติปัญญาทึบส่วนคนที่เกิดมามีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดก็เพราะการกระทาที่จงกันขําคือการคบหากับสมาคมกับท่านสัตบุุษ สอบถามศึกษาจนได้หลักว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรควรเสพและไม่ควรเสพอะไรที่เสพไปแล้วคือประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความทุกข์อะไรประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความสุขก็ทำให้บุคคลเหล่านั้น สามารถละเว้นในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่เป็นประโยชน์ไม่ควรเสพและมีผลเป็นความทุกข์ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ควรเสพและมีผลเป็นความสุขพระบุญมีรพักร์เจ้าได้รับสั่งในตอนสุดท้ายว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดมามีอายุสั้นก็ดีอายุยืนก็ดี มีผิวพรรณสามก็ดีมีผิวพรรณดีก็ดีตลอดจนถึงมีปัญญาสามมีปัญญาดีพระองค์ญญาาก็ได้แสดงแล้วสุภาพมานพก็ชื่นชมยินดีในพระพุทธภาสต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและในการต่อมาท่านผู้นี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จกับขันทริณิพานไปแล้ว ประเด็นสำคัญของพระสูตรนี้เป็นการชี้ถึงกรรมที่สืบพบชาติคือหมายความว่ากรรมประเภทที่นำสัตว์ไปอุบัติบังเกิดในกาเนิดที่แตกต่างกันโดยเริ่มมาจากอายุสั้นกับอายุยืนแล้วก็มาจบลงที่ปัญญาน้อยกับปัญญามากข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาแสดงถึงกรรมไว้ ในสองช่วงด้วยกันหรือช่วงใหญ่ๆเขเรียกว่าอดีตกรรมหรือบุปกรรมเป็นกรรมที่บุคคลกระทำไว้ในการก่อนในภบก่อนในชาติก่อนแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานของบุคคลในส่วนที่เป็นความชั่วท่านเรียกว่าอาสวะคือหมักหมมของไม่ดีเอาไว้ในส่วนที่เป็นความดีท่านเรียกว่าบารมี ก็ปัญหาสําคัญในชีวิตของคนก็คือว่าสะสมอะไรไว้มากถ้าสะสมความไม่ดีไว้มากอุปนิสัยใจคอพื้นฐานในด้านต่างๆของบุคคลก็จะอยู่ในด้านต่ําแต่ถ้าหากว่าสะสมบารมีไว้มากคือความดีไว้มากฐานะของบุคคลก็จะอยู่ในระดับสูงการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีอายุสั้นคือเกิดมาก็มีอายุสั้นในลักษณะที่ต้องชดใช้กรรม ซ, ซึ่งตนได้เคยกระทําไว้มาในชาติปางก่อนแต่คนบางคนนั้นก็เรียกว่าสักแต่ว่าได้เกิดมาพอเกิดมาก็ตายไปเลยเป็นตนนี่ก็กุศลลกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มี ในขณะเดียวกันอคุสนกรรมที่เป็นเหตุให้อายุน้อยมันก็ตามมาด้วยคือต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นเลยได้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนก็มีอายุสั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงปัจจุบันกรรมเอาไว้ด้วยว่ามีอิทธิพลที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้ในอัตฉริยธรรมบทท่านเล่าถึงมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่า อายุวัฒนะกุมารท่านบุ้นี้เมื่อเกิดมานั้นก็รู้กันว่าเพียงเจ็ดวันก็จะตายแม้พวกพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายก็ทำนายว่าเจ็ดวันจะตายพ่อก็ตกใจไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเช่นเดียวกันแต่ก็มีวิธีที่จะแก้ไขคือสร้างกุศลกรรมขึ้นในปัจจุบัน แต่ในตอนนั้นเป็นเรื่องของการใช้อํานาจพระปริศต์คือเอาพระไปสวดล้อมวงเด็กเอาไว้เวลาเป็นเวลาตลอด7วันคือเปลี่ยนกันสวดแล้วก็ป้องกันไว้ด้วยอํานาจของปริศตคือบทสวดต่างๆในทางาศาสนาแต่ว่าในในแง่อื่นนั้นก็ได้แสดงหลักของการปฏิบัติเช่นว่าการปล่อยชีวิตสัตว์การสงเคราะห์สัตว์เป็นต้น แล้วก็มีส่วนในการที่จะลดความเข้มข้นของอดิตกรรมลงไปได้ดหมายว่าทาอายุยืนทาอายุสั้นให้เป็นอายุยืนขึ้นมาได้โดยการสร้างกุศลประ ก, กรรในปัจจุบันเข้าไปสลายความชั่วหรือบาปอกุศลในอดีตแต่ในช่วงนี้เป็นการแสดงในช่วงเดียวคือในช่วงของอดิตกรรมเอาไว้พราะความแตกต่างกันนั้นก็เกิดขึ้นมาจากหลัก ที่เราสวดกันเนี่ยฮะหลักที่เราสวดกันในพินิจปัจจุบันคณะนั้นจะถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่ส่งแสดงเกี่ยวกับกรรมเวลารับสั่งเรื่องกรรมเมื่อไหร่ก็จะสรุปลงในหัวข้อที่สวดกันคนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีก ร, กรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย แต่ก็ไม่ได้ว่าตามบทสวดตลอดนะฮะเฉพาะในประสูน์นี้ก็สรุปเฉพาะในตอนนั้นว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเราแตกต่างกันออกไปอกรรมคือเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมเกิดขึ้นภายในใจแล้วถ้าเกิดขึ้นภายในใจเฉยๆเขาเรียกว่ามาโนกรรมซึ่งก็มีทั้งกุศลและกุศลเจนว่าสมมติว่าเกิดเมตตาจิตขึ้นมามันก็เป็นกุศ ล, ลกรรม เกิดความโกรธขึ้นมาก็เป็นอคูสุล ก, กรรมนี่เกิดเฉพาะที่จิตเวลาออกมาทางวาจาถ้าพูดไปด้วยอํานาจของความโกรธก็เป็นอกุศุล ก, กรรมเพระถ้าพูดโกรธ ถ, ถ้าโกรธต้องก็ต้องพูดคำหยาบหรือคำโกหกคำสอดเสียดอะไรทอะไรมันก็เป็นอกุศุล ก, กรรมทางวาจาแต่ถ้าพูดด้วยอํานาจของความเมตตาความกรุณาก็เป็นกุศุล ก, กรรมทางวาจาเวลากระทําทางกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ปักรกมจึงเกิดขึ้นที่ใจเป็นเบื้องต้นคือเกิดขึ้นด้วยเจตนาความจงใจเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโดยสรุปว่าดูกรรวิสูตทั้งหลายเราก่าวเจตนาว่าเป็นก ร, รมคือบุคคลมีความจงใจมีความคิดแล้วก็กระทำออกไปทางกายบ้างทางวั จ, จาบ้างอ้การจะเป็นบาหรือเป็นบุญก็ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น ชีวิตของคนเรามันก็คลุกคล้าวปะปนกันไปมีทั้งบุญทั้งบาปแต่นั้นภายในใจจึงมีทั้งกิเลสทั้งอาสวะทั้งบารมีคือมีทั้งความดีความชั่วก็ขึ้นอยู่กับอะไรจะมากกว่ากันเท่านั้นทีนี้การศึกษาทําความเข้าใจนั้นเร า, า จ, จะอาศัยในยะในปัจจุบันจึงจะเห็นได้ว่าไอ้คนที่ฆ่าคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั้นก็คือคนที่รอคอยการถูกฆ่าเท่านั้นเอง ไม่มีใครที่ฆ่าคนอื่นแล้วจะมีอายุยืนจนแก่ชราตายไปก็ประส่วนมากก็จะถูกฆ่าต่อกันไปเป็นลักษณะของวัตจักรคือจองล้างจองผลานกันไปเรื่อยๆ เ, เราฆ่าคนอื่นคนอื่นก็ฆ่าเราก็บุนวนกันไปดังนั้นในทางหลักของพระพุทธศาสนาที่เรากล่าวพรกั น, กนนะอายุวรนาสุขะพละยิ่งปีใหม่ก็ยิ่งให้พรกันใหญ่ ยุวนโนสุขขังพลังอ่ะคือต้องการให้มีอายุยืนมีกําลังแข็งแรงมีวันณนะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นผลในแง่ของศาสนาแล้วถือว่าเป็นผลเท่านั้นคือจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันก็อยู่ที่คนสร้างเหตุเพื่อเกิดผลเหล่านั้นหรือไม่แต่ไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดใครจะให้พนะรนั้นถลายมันก็ไม่เกิดเพราะที่จริงพรมันเป็นเรื่องของเมตตาความปรารถนาดีต่อกันเท่านั้น แต่ให้เกิดขึ้นจริงๆบุคคลจะต้องสร้างเหตุขึ้นแล้วผลคืออยุวัณสุขภพละมันจะเกิดขึ้นเองเพราะในในด้านของผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามก็เหมือนกันที่ท่งเน้นไปที่ตัวความโกรธความโกรธก็เป็นโทษของผิวพันธ์คือถ้าใครที่มีจิตใจมักโกรธมักผูกโกรธมักอาฆาตพยาบาท จนถึงกับมีการประทุสร้ายกันพิพันธ์ของบุคคลเหล่านั้นก็เศร้าหมองเป็นธรรมดาจึงจะเห็นได้ว่าตัวความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทางกายก่อนจึงว่ามีเลือดฉีดแรงเป็นต้นแล้วก็ออกมาทางผิวหน้าทางดวงตาทางสีหน้าทางดวงตาออกมาทางอาการทางกายทางวาจา แต่ในชั้นนี้พูดเฉพาะตัวความโกรธไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับที่เป็นโทษของผิวพรรณให้ลองสังเกตดูก็คือใครก็ตามที่จิตใจไม่ค่อยสบายมากด้วยความรู้สึกดังกล่าวหน้าตาก็ไม่แช่มชื่นผ่องใสส่วนคนที่มีผิวพรรณดีเรียกว่ามีสง่าราศีคือเกิดมามีผิวพรรณสวยงามก็ก็ผิวพรรณคนมันก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณแตกต่างกันออกไป หยาบบ้างละเอียดบ้างแตกต่างกันออกไปนี่ก็เป็นผลของอดิตกรรมโดยตรงคือคือความเมตตาไม่อาคติพยาบาทใครมีความปรารถนาดีวังดีต่อบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นจากความทำให้บุคคลมีผิวพรรณดีทีนี้ถ้าเรามองดูกันในปัจจุบันก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตใจของใครก็ตามที่อยู่ด้วยเมตตากรุณาคือสรุปว่าอยู่ด้วยพรหมีารทั้งประการ เป็นจิตใจที่โปร่งเบาสบายส ง, งบเย็นก็ทำให้บุคคลผู้นั้นแสดงออกมาให้เห็นทางสีหน้าทางแววตาทางอาการกริยาอย่างอื่นบางคนก็ก็เรียกว่าเกือบจะมีแสงไปได้และสมีผิวผ่านหน้าตาผองใสแจ่มใส อย่างพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางเมตตาต่างๆนั้นก็จะเห็นว่าแมอายุอนามท่านจะ 60, 70, 80, 90ไปแล้วก็ยังมีผิวพรรณผ่องใสนี่ก็คือการสะท้อนของธรรมะคือเมตตาที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านความโกรธจึงเป็นโทษของผิวพรรณเมตตาจึงเป็นคุณต่อผิวพรรณประการต่อไปก็คือเรื่อง ของสักดาใหญ่สักดาน้อยหรือได้ได้แก่การบังเกิดมาในสกุลที่ที่เรียกว่าสกุลสูงคือมีสักดาใหญ่หรือสักดาต่ำตรงชี้ไปที่ความอิจฉาริษยาเพราะเป็นเหตุให้คนเกิดมาในสกุลต่าหรือมีสักดาน้อยความอิจฉาริษยาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่ที่แรง ในพุทธศาสนาสุภาษิตท่างก็แสดงไว้ว่าความริษยาทําโลกให้พินาศหรือทำโลกให้จิบพายไอคำว่าโลกในความหมายนี้ก็หมายถึงสัตว์ตวโลกในเบื้องต้นคือจะเบียดเบียนประทุษร้ายซึ่งกันและกันทำความพิบัติตทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อกันแต่ถ้าหากว่าไอกระจายความริษยาออกไปสูง แม้ก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นความพินาศความเดือดร้อนต่อโลกอันเป็นส่วนรวมได้ซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็เห็นกันได้ทั่วทไปคือหมายความว่าทนเห็นความดีความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นไม่ได้ในชั้นของปัจจุบันนักกรรมและยิ่งเห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่มัวอิจฉาดิษยาคนอื่นอยู่ คือใจมันจะถูกแผดเผาด้วยเพลิงริษยาไม่มีความคิดความอ่านที่จะทํางานเพื่อตัวเองที่จะปรับตัวเองขึ้นไปเพื่อทัดเทียมกับบุคคลอื่นก็ปล่อยให้เพลิงของริษยาแผดเผาอย่างนั้นก็ดูช่วงการใช้เวลาของชีวิตมันก็แตกต่างกันไปแล้วโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีศักดิ์มีฐานะทางสังคมก็ย่อมจะต่างตามไปด้วยฝ่ายหนึ่งก็นั่งริษยาอยู่ฝ่ายหนึ่งก็ทํางานเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขา เช่นสมมติว่านักเรียนคนหนึ่งเรียนดีขยันเรียนได้รับความนิยมยกย่องแกก็พยายามรักษาความดีของแกหรือคนหนึ่งเห็นเพื่อนได้ดีมีอย่งงางนั้นก็ไปริษยาแกริษยาเขาถูกเพลิงริษยานั่งริษยาอย่างนั้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แก้ที่จุดซึ่งเป็นตัวเหตุว่าที่เพื่อนเขาได้รับการยกย่องได้รับรางวัลได้รับเกียรติจากครูนั้นเพราะอะไรแกก็ไม่ได้คิด เราคือเราจะเห็นตัวอย่างว่าจุดแตกต่างกันแม้ในกรรมปัจจุบันมันก็ทําให้คนเราต่างกันต่างกันไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆไปไอจุดทีเ่เราเริ่มถอยห่างกันไปนั้นที่จริงมันก็เป็นจุดเล็กๆแต่มันห่างออกไปเรื่อยๆก็ทําให้โอกาสที่คนจะห่างออกไปจนมองกันไม่เห็นมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายก็ทํานองเดียวกับว่า คนหนึ่งก็เดินไปเรื่อยๆแต่คนหนึ่งเดินเดินหยุดหุดโอกาสที่คนก็เดินไปเรื่อยจะทิ้งคนเดินเดินหยุดหุดมันก็เริ่มห่างออกไปทุกครั้งทุกครั้งและในที่สุดก็อาจจะมองไม่เห็นกันวิธีชีวิตของบุคคลที่จะก้าวไปสู่ความมีศักดิ์มีฐานะก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งท่านจะเห็นว่าอศักดาใหญ่เนี่ยนอกจากจะเกิดขึ้นโดยชาติกําเนิดแล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นในการกระทาในปัจจุบันเป็นประการสาคัญหรืเราอาจจะมาจากทุลรีดินเล็กๆแต่ว่าก็พยายามช่วยตัวเองปรับตัวเองขึ้นไปมันก็ก้าวไปสู่ความสุดยอดได้อย่างสามวิว่าคนไทยที่ ว, ว่าช้างเพือเกิดจากป่าแล้วเราดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จในอดีตก็ดีหรือแม้ในปัจจุบันก็ดีส่วนมากมันก็ไม่ได้มาจากจากที่สูงมาก่อน แต่ว่าเป็นการพยายามกระเสือกกระสนมาจากจุดต่ำทางสังคมแต่ก็ไม่ไปริษยาอิจฉาริษยาใครนะถ้าพวกนี้มองโลกในแง่ลบคือหมายความอิจฉาริษยาความเจริญก้าวหน้าความมั่งคั่งของบุคคลอื่นในที่สุดเดีวพวกนี้มันก็เข้าป่าไปตั้งป้อมไปสู้กับคนอื่นมุ่งจะเบียดเบียนคนอื่นเพราะริษยาจะไม่ทางานแ ต, แต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งที่เขาไม่ริษยา ยอมรับในกฎเกณฑ์ของกรรมอย่างที่ว่ามาได้ไอคนนี้ก็มีความหมั่นขยันมีความมุมานะพยายามในการสร้างตัวเองสร้างฐานะของตัวเองเขาไปได้เราก็ควรจะไปได้ก็ไปลอกเรียนแบบท่านเหล่านั้นแล้วก็ดําเนินตามหลักของท่านเหล่านั้นถือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของบุคคลก็าาสร้างความสำเร็จได้นี่ให้ลองสังเกตว่าไอตัวกรรมปัจจุบันคือเจตนาความรู้สึกนึกคิดนี่มองโลกในปัจจุบันถ้าเรามองด้วยความริษยาคนอื่น แล้วก็หยุดอ่ะแล้วก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามองด้วยความชื่นชมชื่นชมในวีรกรรมชื่นชมในความสมําเร็จชื่นชมในความก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นแล้วก็ไปศึกษาว่าเขาทำยังไงมีปัญหาก็แก้ไขยังไงอะไรเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเขาการใช้ทรัพย์ก็ทํำยังไงการค้าขายก็ทํำยังไงอะไรแต่ไรนี่ฮะเราก็มีการลอกเรียนแบบท่านเหล่านี้เราชื่นชมยินดีในชีวประวัติ ในวิถีชีวิตของท่านเหล่านั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้มาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างกรรมปัจจุบัน <c oughs> เพื่อคนสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่ฐานะที่สูงโดยมีลักษณะกระตุน้นเช่นว่ามีพระเทรรารูปใด ร, รูปหนึ่งเช่นต้องการให้พระท่านเกิดมุมาณะสนใจที่จะศึกษาจำทรงพระวินยัย ก็จะยกย่องพระอุบาลีขึ้นมาเวลาพระประชุมมากๆเป็นพันๆเนี่ยเขาจะเอาคุณของพระอุบาลีขึ้นมาสะดุดดีมีความรู้มีการจำทรงมีความแตกฉานในพริวินัยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสายตาทุกคู่มันพุ่งมาที่พระบาลีแต่พุ่งมาด้วยความชื่นชมต้องการจะเรียนแบบอย่างต้องการจะเอาอย่างท่านพระก็เริ่มปรับตัวเองเข้าศึกษาพระวินยัย ก็มีกลุ่มบุคคลที่แตกฉานในพระยุนายขึ้นมาหรือต้องการเอาบุคคลที่เป็นผูสูตร่างก็ยกเอาพระอานุ์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างคนประชุมกันเป็นพันๆนนะ่ะแล้วก็เอาพระอ น, นุ์ขึ้นมาเชิดชูในตอนนั้นทุกรูปก็ชื่นชมต้องการจะเอาอย่างต้องการได้รับความชื่นชมอย่างนั้นแล้วก็เริ่มศึกษาจําส่งพระธรรมหรือต้องการจะให้พระ สมาทานทุดงกันก็ยกเอาพระหมหากัสษปะขึ้นมาสะดุดดียกย่องพระก็ชื่นชมในปฏิปทาเหละนะ่านั้นแล้วก็เรียนแบบกันแล้วเป็นที่น่าสังเกตลึกลงไปนะฮะลึกลงไปในทางด้านการสร้างสมอบรมบารมีคือบพงทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นไม่ว่าในที่ใดก็ตามจะไม่มีการขัดแย้งกันเองเลย มันจะหนุนก็อยู่ตลอดในเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องชั่วก็หนุนชั่วกันไปนะฮะในเรื่องดีก็หนุนดีกันไปอย่างในกรณีนี้ฮะในกรณีของความไม่ริษยาแต่กลายเป็นมุทิตาหรือว่าความชื่นชมยินดีในการกระทาความดีของบุคคลดีนเนี่ยในทางศาสนานั้นเรามีตําแหน่งอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเอตทัะคะคือยอดคนในแต่ละจุดเช่นายอดในทางทุดงค์ ยอดในทางจำทรงพระวินยัยยอดในทางปัญญายอดในทางฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีพระเถระทั้งหมดหรือทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกานะฮะมีทั้งหมด80ท่าน80นี่เขาเรียกว่าอาศิติมหาสาวก ค, คือพระมหาสาวก80เป็นยอดแต่เอตัฐฐะกะในด้านต่างๆบางองค์ก็หนึ่งส่วนมากจะหนึ่งนะฮะบางองค์ก็มีถึงห้า มีพิเศษจุดองค์เดียวคือพระอานนท์มีอยู่ห้าอย่างแต่เราศึกษาถึงภูมิหลังของท่านหมายความว่าประวัติรูุ้ทธเจ้ารับสั่งเล่าว่าทําไมองค์นั้นจึงเป็นอย่างนี้ทําไมองค์นี้จึงเป็นอย่างนั้นรับสั่งเล่าให้ฟังวันนี้คือบุพบกกรรมกรรมในอดีตที่มาปรุงแต่งแนวความคิดจิตใจพื้นเพออัตยาสายัยของท่านเหล่านั้นนั้นสร้างมาตั้งแต่ในอดีต ที่แปลกคือตรงกับประเด็นนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกรูปที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัทธะคือยอดของพิกษุยอดของภิกษุณียอดของบาสุกยอดของบาสิกาในฐานะนั้นๆในอดีตชาตินั้นท่านเคยชื่นชมยินดีในภิกษุภิกษุนีบาสุกบาสิกาในศาสนาพุทธคือก่อนๆของรุษเจ้ากอ่อนๆก็ชื่นชมยินดีมากอย่างภาษาดิบุตรเถระเนี่ย ในสมัยที่ท่านเคยเกิดเป็นพรามในอดีตการนานไกลนะเกิดชื่นชมในพระอักสาวกของพระพุทธเจ้าในอดีตอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างคือแทนที่จะไปริษยาท่านก็เกิดอยากจะเป็นอย่างท่านขึ้นมาก็เริ่มตั้งความปรารถนาบาเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนามาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับพุทธพยากรจากสำนักของพุทธเจ้าในอดีตจนมาได้เป็นพระอักสาวกในปัจจุบันคือในสมัยพระพุทธเจ้านะฮะ ในศาสนาของพุทธเจ้าของเรานี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความไม่ริษยาแต่ว่าเป็นมุทิตาคือความเพลิดเพลินความชื่นชมพรอยินดีในความดีของบุคคลอื่นสิ่งอะไรก็ตามที่เรามีความชื่นชมยินดีเราก็ปรารถนาะที่จะได้ที่จะเป็นที่จะมีอย่างที่คนอื่นเขาได้เ็าเป็นเขามีแต่ว่าแทนที่จะไปปร้นไปแย่งไปชิงเอาก็ไม่เอาอย่างนั้นนะ ก็ศึกษาดูที่เขาได้ก็เป็นเขามีกันอย่างไงมีอุบายวิธียังไงก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นและยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนั่นก็คือมุทิตานั่นเองเพลินในความดีงามของมุคคลเด่นเริ่มจุดแรกจริงๆที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะฮะเคยความพอใจนะั้นมีมานานแล้วเราตัดเฉพาะตอนที่ตั้งความปรารถนา ท่านเป็นสุเมธธรามนบในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามทีปังกอนเป็นฤุษีนะเอาบวชเป็นฤุษีแต่ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าไปในพระนครเขาก็ตดดดัดจัดเตรียมถนนหนทางเพื่อรักเสด็จกันท่านก็ขอจองชีอเพื่อทำทางรักเสด็จทีนี้ก็อยากทามากๆก็โลภมากไปหน่อยพอทำก็จริงมาทำไม่ทันนะ ทำให้ท่านก็ท่านไม่รู้จะทำยังไงมันมีช่วงตัวเดียวเองแต่ท่านก็พอเห็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมีพระอักสาวกขนาบอยู่ซ้ายขวาแล้วพระปกติเป็นแถวออกไปแล้วก็มีข้างหลังดูมันสวยงามลักเกินมาเนี่ยท่านก็เกิดชื่นชมโอ้ยมันน่าเป็นจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยสวยงามสง่างามมีราศีแต่ก็เกิดอยากเป็นอ่ะอยากเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ และอธิษฐานใจทอดตัวเองลงเป็นสะพานอธิษฐานว่าถ้าความปรารถนาของเราสําเร็จเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เสด็จไปบนหลังเราไอ้ช่วงที่ท่านทําให้เสร็จอคือทอดตัวเองเป็นสะพานพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ก็เดินไปบนหลังของท่านแต่อย่าลืมพระอาหารหันต์เดินนะไม่คนเป็นหมื่นหมื่นมาเหยียบก็ตายแนละ้วเออเคลว่าอันนี้ก็เป็นเป็นการสงเคราะห์ท่านเป็นการสงเคราะห์แล้วพระพุทธเจ้าทรงประนามทีปังกรก็ทรงพยากรณ์ ว่าองค์นี้เป็นหน่อพุทธังคูลเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นได้แต่พยากรนะฮะได้แต่พยากรไม่ใช่ว่าไปเลือกใครมาให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างหนังสือของคริส ท, ที่ไปพูดว่าพระเจ้ า, จาไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเลือกพระศรีอ่านให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนแต่อ่อต่อจากพระองค์แล้วก็โมเมเอว่า ภาษีอา่านก็คือพระเยซูไม่หรอกพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ า, าเลือกใครไม่ได้หรอกคือแต่ละคนจะต้องสร้างบา ร, รมีมาด้วยตัวเองทุกคนเมื่อปรารถนาเป็นพระเจ้าก็สร้างบา ร, รมีบำเพ็ญเพียรมาเรื่อยแล้วท่านจะถึงเวลาบา ร, รมีเต็มท่านก็เป็นก็ท่านเองไม่มีใครเลือกใครหรอกแล้วก็ไม่มีการแต่งตั้งกันด้วยเป็นระบบของคุณธรรม ก็คล้ากับพระอรหันต์ของเราเนี่ยฮะพระโสดาพระสกีตาคานาคาอรหันต์นี้ใครแต่งตั้งไม่ได้เป็นตําแหน่งพิเศษที่ต้องตั้งตัวเองประพฤติปฏิบัติขึ้นไปเองแม้แต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นดีก็ต้องตั้งตัวเองไม่มีใครก็ตั้งให้ได้เป็นพระชั้นดีก็ต้องตั้งตัวเองไอ้ตอนบวชนะอุปชาก็ช่วยบวชให้แล้วแต่ว่าหลังจะบวชแล้วมันต้องตั้งตัวเอง พระพุทธศาสนานั้นเป็นสูตรของการช่วยตัวเองทั้งหมดโดยทุกระดับยกฐานะตัวเองตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองเลือกเฟ้นด้วยตัวของตัวเองจะประพฤติปฏิบัติอย่างไงจึงเป็นจุดที่น่าศึกษาว่าเราเจาะลึกลงไปในส่วนใดก็ตามในส่วนของพระพุทธเ จ, จ้าพระหันตะสาวกฟิกสุณีบาสุกุบาติกาทุกรูปที่ได้เป็นยอดนั้นเพมันเกิดจากมุทิตา เกิดจากความรื่นชื่นชมยินดีในคนนั้นน่ยในใครก็ตามในคนที่ท่านเกิดความประทับใจกับท่านะแต่แทนที่ท่านจะไปอิจฉาริษยาในความดีเพาท่านเกิดชื่นชมท่านอยากเป็นอยากเป็นอย่างเขาบ้างแล้วก็ศึกษาปฏิปทาเพื่อความเป็นเหล่านั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนกันพระอาหารก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าศึกษามากว่ามันพร้อมที่จะหักเหทิศทางชีวิตของคนมันมาถึงทางแยก หมายความว่าเราเห็นการประสบความสมําเร็จความดีของบุคคลเนี่ยเราจะแยกไปทางไหนจเจ้าอิจฉาริษยาหรือจะมุทิตากระเขาลองถามตัวเองว่าถ้าทิษยาเราจะได้อะไรไปโค่ น, คนล้มเขาเพื่อเป็นเองเนี่ยเราเป็นได้เลยมันก็เป็นไม่ได้เราจะเห็นว่าไอ้ความคิดแบบตื้นๆอย่างเงี้ยมีเยอะไปคนบางคนก็เห็นเขาร่ําเขารวยมีเงินมีทองแล้วก็อยากเป็นเขาบ้างเลยล้นเลย ก็เลยมันก <basically. S 1> ็ต right. ิดคุกก็เรียบร้อยไปเลยเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นแต่บางทีก็เป็นเศรษฐีไปเลยเพื่อนยิงตายนี้เพราะอะไรเพราะเพลิงฤทธิ์ยาเพลิงฤทธิ์ยามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หักเหทิศทางออกไปทํานอกรูนนอกทางไปแต่ถ้าแยกไปอีกแนวหนึ่งคือตรงกันข้ามมุติตาเพลิดเพลินชุนชมหมากกว่านี้ก็เก่งจริงมีความสามารถจริงเข้าไปศึกษาวิถีทางดําเนินชีวิตของเขาเรียนแบบตามเขาไปเราก็เป็นอย่างที่เราอยากเป็นจริงๆ อยากรวยเหรอลองถามก็ดูเขาทำยังไงรวยอยากรู้เหรอถามก็ดูเขาทำยังไงรู้อยากจะมีฐานะมีตําแหน่งดีๆหรือก็ไปศึกษาก็ดูแล้วก็ไปเรียนแบบเขาทุกจังหวะถ้าเรามองอีกทีหนึ่งการเดินเส้นทางการเดินของคนเราเนี่ยแต่เรามองแบบสํานวนปัจจุบันคล้ายๆกับข้าวไข่กลนนะครันวนหนังสือจีนกำลับบงภายในหน่อยนะคือข้าวเดินในไข่กล่นไข่กล่นเนี่ยปัญหาว่าเราเหยียบตรงไหน คือเย่บางทีเนี่ยเราฆ่าไปคายกดได้แต่ว่าต้องตามหลังคนที่เขาเย็บเป็นนะท่านเย็บตัวไหนเราเย็บตัวนั้นท่านเย็บตัวไหนเราเยียบตัวนั้นท่านเย็บตัวไหนเราเย็บตัวนั้นตามท่านไปเราออกจากคายกดได้ทลายคายกดได้คนเรามื่ก็มีคนอยู่สองพวกคือคนที่เดินไปข้างหน้ากับอนุชนคือคนที่เดินไปข้างหลังไอ้คนเดินไปข้างหน้ามื่ก็มีทั้งสองพวกเลยคือตกเหวตกบ่ก็พวกหนึ่งไอ้คนที่เดินไปสู่ความสู่ความเจริญก็พวกหนึ่ง พวกนี้ก็ก็ข้าวไข่ไข้คนด้วยกันนะฮะแต่ว่าคนหนึ่งมันเดินไม่เป็นคนหนึ่งเดินเป็นปัญหาว่าเราจะเรียนแบบใครถ้าเราจะเรียนแบบคนที่ประสบความสุขความเจริญเราก็เดินไปตามจังหวะที่ท่านเด็กแล้วผลก็ก็เป็นเช่นเดียวกันนะเส้นทางที่เป็นประสบแม้แต่เส้นทางที่เป็นอุบาสกบาติการะดับรัตนะมันก็มีเส้นทางเดียวตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัติุบันก็มีเส้นทางเดียว ใครก็ตามที่เดินไปบนเส้นทางสายนี้ก็เป็นยอดอุบาสกบาตริกาเส้นทางที่เป็นพระโสดาพระส เ, เกตคาพระนาคาพระหันมันก็มีเส้นทางเดียวท่านก็เดินก็ท่มาแล้วเราก็เดินเหยียบตามรอยเท้าท่านไปก็ตามสูตรง่ายๆเลยตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กะก็ตามหลังผู้ใหญ่ท่านไปเราก็จะได้แต่ถ้าเราเกิดริษยาท่านเราริษยาท่านเราก็เข้ารกเข้าผมเข้าป่าไปเลยนี่คือเป็นแนวที่น่าศึกษาฮนะ จริงแนวความคิดนี่มาเพิ่งคิดได้เมื่อคืนนี่เองคือกำลังเทศเทศแลมันหลุดขึ้นมาเทศพระเทศสิรินแล้วมันหลุดขึ้นมาก็เลยก็เทศออกไปเลยก็มีลักษณะคล้ายๆเราเดินไข้คนคือถ้าเราเดินตามตามเอฟท้ารอยเท้าของผู้ใหญ่ที่ท่านเหยียบไปเราก็จะเดินไปได้เพราะปฏิบปทาในการดําเนินชีวิตพระพุทธเจ้าสนใจคำว่าปฏิบปทาทั้งหมดนะหมายความมาหลักในการปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันเป็นหลักซ้ําซ้อน เนหลักซ้ำซ้อนก็เดินประสบความสําเร็จมาแล้วทั้งนั้นอย่าเราเรียนแบบท่านที่ประสบความสําเร็จมาเช่นพระนเรศวาารพ ร, ร, ระเจ้าตากสินเราดูเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ซ้ำท่านอ่ะซ้ำกันแต่บางอย่างมันก็ผิดกันเพราะคนละสถานการณ์พระเจ้าตากสินท่านเป็นสามั ญ, ญชนท่านก็ต่ายอันดับกันหน่อยพระนเรศวรท่านเป็นเจ้าอยู่แล้วท่านก็ทําง่ายหน่อยแต่ว่าโดยหลักสรุปแล้วก็คือกันเรียนแบบกัน เพราะฉะนั้นในจุดนี้แหละจุดความพินาศของโลกอย่าอย่าลืมมาความริษยาั้นทําโลกให้พินาศแต่ในขณะเดียวกันก็ความชื่นชมยินดีต่อกันก็ทําโลกให้มีความเจริญอีกภากหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ทําโลกให้มีความเจริญจุดนี้เราเห็นได้ชัดมากเลยในข้อต่อไปก็แต่เราตัดอมีโภคัสไอ้พกกัพซ์มากพกกัพซ์น้อยออกนะเพราะว่ามันอยู่ในอีกสูตรหนึ่งแต่ก็ ยกตัวอย่างมาแล้วเราก็เราเอาเฉพาะช่วงช่วงที่สคือมีปัญญาสมกับมีปัญญามากอิทธิพลของอดิตกรรมนั้นเราเห็นได้ชัดมากพระุทธศาสนาถือว่าปัญญาเรานั้นมีสองระดับระดับแรกติดมาแต่กาเนิดเรียกว่าชาติกะปัญญาปัญญาติดมาแต่เกิดเลยซึ่งท่านทั้งหลายมีลูกมีตาในสังเกตเห็นได้วาลูกหลานเรามีแววไเหมือนกัน ก็เรียกมีแววมีแววเหมือนกันบางคนมันฉเฉลียวฉล า, ลาดปราดเปรื่องมันเรียนเร็วทําอะไรได้เร็วตั้งแต่เล็กๆอีานหนังสือได้เร็วเข้าใจปัญหาได้เร็วนี่เพราะอะไรเพราะเชื้อปัญญาแกสูงภายในใจก็แก่ทีนี้ปัญหาของเชื้อปัญญาเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าถ้าระดับที่มันสูงจริงๆมันกลายเป็นพรสวรรค์อย่างสัมพนวนที่เราเรียกกันในวงการศาึสสาปัจจุบันนะแดูคนระดับเอาเอาสุดยอดเลยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะ เราก็ไม่น่าจะนึกได้ว่าท่านไปเรียนเนี่ยฮะท่านไปเรียนในสำนักครูวิศวามีรเมื่ออายุเจ็ดขวบเรียนไม่กี่ปีทะลุปรุกปลงหมดเลยแลวจากจุดที่ครูสอนเนี่ยท่านมองหายไปในจุดที่ครูไม่สอนได้เพราะอะไรเพราะเชื้อปัญญาที่มีอยู่ภายในใจนะครบสูงพระาจ้เชื่อปัญญาสูงมากเือจวนอีกนิดเดียวจะจัดทะู้แล้วนะครับการแสดงออกในแต่ละจุดในแต่ละเรื่องจึงเป็นไปได้เร็ว แม้ในด้านของสมาธิอายุเจดขวบนั่งสมาธินิดเดียวไปเดียวไปแล้วได้บรรลุรูปฌานชั้นหนึ่งแนละไปแล้วนี่คือสูงไปหมดเลยของพระองค์นั้นคือพร้อมคล้ายๆกับอะไรอนอุปมาเหมือนกับฝีกรัดหนองอนะคือพร้อมที่จะระเบิดออกมาเพียงแต่้ําบ่งนิดเดียวเองเป็นงแต่หาถูกนิดเดียวเข็มจอนิดเดียวหนอมันก็ออกมานี่คือพวกที่มีปัญญามากปัญญามัน ก, ก็ติดมาตั้งแต่เกิด คนเราจึงมีแตกต่างกันในด้านพื้นฐานจริตอัธยาศัยทุกอย่างทุกกรณีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศน์สอนใครจึงดูในแต่ละจุดเนี่ยจุดความแตกต่างในด้านอินทรีย์คือพื้นฐานต่างๆทางศรัทธาทางความเพียรทางสติทางสมาธิทางปัญญาของคนจึงแตกต่างกันพื้นอัธยาศัยที่เรียกว่าอธิมุติจึงแตกต่างกันดูความแก่ความอ่อนของอินทรีย์เป็นต้นเน เขแสดงว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในอดีตแต่ละคนนั้นสร้างมาไว้ไม่เหมือนกันเราไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกเราดูว่าคนเราในแต่ละชาติพันธ์ในแต่ละชาติพันธ์ของคนที่น่าคิดที่สุดก็คืออย่างเนี้ยอย่างพวกเด็กที่เล่น ก, กีฬากีฬาอะไรตอวไรเนี่ยทาไมว่าคนชาติหนึ่งมันจึงปัดเปลือกในเกิดในเรื่องเล่านี้มันสะสมมันอบรมมันสืบสังสายเลือดมา รับสายเลือดมาจากบรรพบุรุษของเขาอ่ะก็เก่งในเรื่องเหล่านี้มันก็สืบสายกันมาได้นี้ในด้านทางสายเลือดคือถ่ายทอดกันทางสายเลือดทีนี้ถ่ายทอดกันในด้านจิตวิญญาณแล้วก็ถ่ายทอดกันด้วยการเก็บสะสมเอาไว้ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นพอได้เชื้อจากข้างนอกแกก็พร้อมที่จะบวกกั้งชีทังใดคนบางคนจึงเรียนอะไรได้เร็วเข้าใจได้เร็วกลายเป็นอัจฉริยะไปเป็นต้นแต่เนื่องจากในแง่ของชีวิตจริงท่านทั้งหลายจะเห็นว่า ที่เจ้าทรงแสดงถึงอดีตอดีตว่าคนที่มีสติปัญญาน้อยก็คือคนที่ไม่ยอมเข้าหาสัจบุรุษศึกษาแล้วเรียนสอบถามให้ทราบว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรเสพหรือควรประพฤติปฏิบัติหรือไม่ควรประพฤติปฏิบัติอะไรประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นทุกข์อะไรประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นสุขว่าที่จริงลักษณะทางสังคมคนประเภทนี้มีน้อยอยู่ฮะ มีน้อยอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยลักษณะาทางสังคมที่ขึ้นสู่จุดสูงแต่และจุดไม่ว่าจุดอะไรก็ตามนะครับจุดของความมั่งคัง่งโดยพวกขสมบัติจุดของชื่อเสียงเกียรติยศจุดของคุณธรรมความดีมันจะสอบขึ้นไปเป็นรูปเจดีตลอดเลยสมัยพระพุทธเจ้าก็คือกันเนี่รสมัยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็มีน้อยก็มีน้อยอย่างเงี้ยฮะมันยอดแต่มันก็มีน้อยธรรมดา ขึ้นไปสู่จุดสุดยอดมีน้อยไปหมดทุกกรณีไม่ว่าอะไรก็ตามดันั้นคนที่มีปัญญาปราดเปลืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงมีน้อยเราลองดูที่ว่าบางครั้งในเราขาดคนประเภทนี้ไปเป็นร้อยๆปีนะสุนทอนผู้ตายไปนี่ยคนระดับสุนทรผู้ยังไม่เกิดจนปาน่านนี้สีปราดตายไปสมัยยุทธยาจนป่านนี้ยังไม่มีใครเกิดมาคนระดับสีปราดยังไม่เกิดมา เรจุดสุยจริงๆมันมีน้อยอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะอะไรเพราะว่าหลักความจริงเนี่ยคนเรามันอยู่ในวังวนของกิเลสมันไหลมันหลายไปตามกิเลสไหลายไปตามกิเลสคือเราดูว่าเราลองลอ ง, ลองดูภ า, ายในแม่น้ำเนี่ยสิ่งที่ลอยตามกระแสน้ำํำจะมีมากกว่าสิ่งที่ลอยทวนกระแสน้ําอะไรแต่อะไรมันก็ลอยตามไม่ได้แต่ลอยทวนขึ้นมาเนี่ยมีน้อยเหลือเกิน แต่ไม่ได้หมายความไม่มีนะฮะสิ่งพวกปลาพวกอะไรมันก็ลอยทวนขึ้นมาได้สิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็แหวกว่ายทวนขึ้นมาได้แต่มีน้อยส่วนมากแล้วจะเป็นสิ่งที่ลอยไปตามกระแสน้ำพระพเจ้าจึงทรงสแสดงสภาพของสังคมในแง่ทางศาสนานะฮะมองในแง่ศาสน า, า, าว่าเรียว่าคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่มุ่งจะเข้าสู่ฝั่งคือพระนิพพานคนส่วนมากมันก็ลเลาะฝั่งไป ในขณะที่โยมทั้งหลายนั่งฟังธรรมะอย่างเงี้ยนี่กี่เปอร์เซนต์ของคนที่กําลังสนุกสนานกําลังอยู่ในโรงหนังกําลังอยู่ในแหละก็เราจะเห็นว่ามันก็น้อยกันอยู่อย่างนี้ตลอดอาตมาในเที่ยวพูดวนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเยอะแยะไปตั้งหลายปีนะเจอหน้าซ้ซําๆหน้าซ้ำๆไปแต่นี่ก็หน้านี่แหละหน้าเดิมมันก็เจอไม่กี่หน้านะฮะก็แสดงว่าเอาจริงๆแม้ในกรุงเทพเองเนี่ยก็หน้าซ้ซําๆพูดที่วัดวอวรก็เจอชุดเนี่ยอ่ะ ไปวัดพระแก้วก็อีกละเจอชุดนี้หเอาไปวัดหมาท่าก็เจออีกละก็เจอเจออย่างนี้มันมีไม่กี่หน้านี่ไม่กี่คนนี่คือความจริงที่เราเห็นมาได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาจึงมีน้อยมาโดยโดยสภาพเลยมีปัญญามากเนี่ยจึงมีน้อยมาโดยสภาพอย่างแม้แต่ว่าท่านผู้ใหญ่ที่เพิ่งสิ้นไปเนี่ยคนระดับเสถียนโกเศษหรือนาค่าไปรต ปัจจุบันก็ไม่มีหรือคนระดับเสด็จในกรมหมื่นราทิปก็ไม่มีระดับหลวงมิจิตก็ไม่มียังไม่เกิดมาเพราะมันหายากเกิดประเภทนี้จึงหายากเพราะงั้นเมื่อเมื่อลักษณะของชีวิตจริงๆเนี่ยคนพวกนี้มันมีน้อยอยู่แล้วเวลาตายมาเกิดอีกถ้าท่านเฉียบแล้วจริงๆท่านก็นไปเกิดเป็นบนสวรรค์สิไอเกิดระดับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยยิ่งน้อยกันใหญ่ได้เพราะพระเจ้าทรงสแสดงไว้สองช่วงนะ คือหมายความว่าถ้ามีมากพอก็เกิดในสุกติโลกสวรรถ้ามีระดับที่ลดหลั่นลงมาก็เกิดในมนุษย์ไอคนระดับนี้จึงถูกแยกออกไปไดอีกทีนี้ถ้าปัญญามากไปท่านก็เป็นนิพพานหายไปเลยเลยก็เหลือน้อยมากขึ้นไปอีกแต่ชั้นนี้ท่านจะเห็นว่าเรามองได้ทั้งในปัจจุบันคืออย่าลืมเรื่องปัจจุบันนักรรมนะฮะปัจจุบันนักรรมนะั้นเป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากเพราะในชีวิตของคนเราแต่ละคน สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเองและบางครั้งเป็นการพูดแบบย้อนสยบจี่เราเลือกเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นคําพูดที่ที่แย่มากที่สุดเลยเลือกได้ทาไมเลือกไม่ได้เราไม่เลือกเสีย ก, ก่อนนี่นะเราไม่เลือกเราเองพระพุทธเจ้าแสดงทางสุกติทุกติไว้แล้วแสดงทางสุกติทุกติไว้เสร็จแล้วพูดง่ายๆว่าอาธรรมนนําไปสู่ทุกติธรรมนาไปสู่สุกติ ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เลือกเกิดได้เลือกเกิดตามแนวที่ท่านว่าเนี่ยจะเกิดมายังไงจะเกิดอายุสั้นหรืออายุยืนพุทธเจ้าก็แสดงมาแล้วทั้งสองทางผิวพันธุ์ดีหรือผิวพรรณทรามก็แยกไว้แล้วทั้งสองทางมีสักดาน้อยมีสักดามากก็แยกทั้งสองทางโบห่าน้อยโบห่มากก็แยกไว้ทั้งสองทางปัญญาน้อยปัญญามากก็แยกไวทั้งสองทางแล้วเราไม่เลือกก็เองอะเราไม่เลือกก็เองเรามานั่งโบนเราเลือกเกิดไม่ได้ไอเลือกเกิดนัก็เลือกเกิดได้ฮะแล้วเลือกเปลี่ยนวิถีชีวิตเราก็เลือกได้ แต่คนไม่ยอมเลือกเองเพราะอะไรเพราะไอ้ทางที่ว่าเนี่ยทางปัญญามากนี่มันต้องเรียนมากต้องศึกษามากต้องค้นคว้ามากต้องปฏิบัติมากไอ้ทำมากมากในคนไม่ก็ชอบคนชอบรับมากๆนั้นนะะไอ้ชอบทำมากมากเขาไม่ชอบหรอกทําทํางานหนักอย่างงั้นยางงั้นอย่างงั้นไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวถ้าได้มากๆชอบได้มากชอบบางทีตักบาตขันเดียวอธิษฐานให้ถูกสลากกินแบ่งวันที่หนึ่งนนเอาสิ อาก็เป็นจริงตาไหลไม่รู้เนี่ยคือชอบชอบลงทุนน้อยๆ น, นะฮะชอบลงทุนมาหน้อยๆแต่ต้องการได้มากๆแต่ลองสังเกตนะวันที่ใกล้สลากินแบง่งออกนี่คนจะตักบาทมากพิเศษอ่บางทีอธิษฐานให้เราเสียหลังเราโยมบ้างไงไม่รู้อธิษฐานจะจังเลยบางทีเนี่ยมันขอสลากินแบ่งนอนที่หนึ่งลงทุนข้าวขันเดียเองนี่คือคือลักษณะอย่างหนึง่งของ จ, จิตใจคนไม่ว่าในกรณีอะไรก็ต่างนะฮะ ในกรณีอะไรก็ตามรวยก็แบบรวยลัดลัดไปเลยให้รวยลัดลัดไปเลยมีปัญญาความรู้ก็ให้เทวดาประสาทความรู้แบบสารพัดนึกอะไรดังนั้นไอแนวความคิดตัวนี้จึงอยู่ได้โดยเฉพาะคนอินเดียเราจะเห็นว่าแกปลุกไม่ค่อยตื่นปลุกไม่ตื่นคนอินเดียปัจจุบันในวันตื่นขึ้นมาถึงก็ไม่มีอะไรคนเป็นไม่รู้สักกี่ร้อยล้านนะฮะสีตารามสีตารามอย่างนั้น สีตารามกัคือภาวนาขอให้นางสีดากับพระรามมาช่วยช่วยให้มีอาหารกินช่วยให้ร่ํารวยช่วยให้มีความรู้ช่วยให้มีบ้านอยู่วาดด้วยไอ้เรื่องแนวอธิษฐานหลอกลวงเส้นสวงต่างๆจึงหากินได้ตลอดเพราะคนชอบลงทุนน้อยๆบางทีก็เอาดอกไม้ทุบเทียนใน ร, รมเดียวอธิษฐานได้สารพัดอย่างเลยก็เรื่องอธิษฐานจึงจึงหา ก, กินได้อยู่อยไปพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงในรูปของเหตุผลเอาไว้ ถ้าเราต้องการปัญญามากเอาเฉพาะกรรมปัจจุบันเราก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ทรงแสดงไว้นี่เข้าไปหาสัตว์ปุรุแต่ว่าการเข้าไปหาในลักษณะที่จะให้เกิดผลจริงๆทร ง, งแสดงในรูปของความเคลื่อนไหวเข้าไปหามีศรัทธาก่อนนะมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเข้านั่งใกล้ฟังธรรมเงียหูลงฝังกาหนดข้อความ พิจารณาข้อความจนแยกได้แยกได้อะไรสีแนวเฉพาะในที่นี้ทรงแสดงไว้สีแน่นะฮะท่านจะเห็นว่าไอแนวทั้งสี่ประการเนี่ยมันออกมาทั้งบวกทั้งลบพระพุทธ เ, เจ้าแสดงให้เสร็จอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลก็เรียบร้อยแล้วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะแม้ในชั้นของกุศลธรรม ในชั้นของกุศลธรรมถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเช่นวราใช้ขันติในคราวที่ไม่ควรขันติหรือใช้เมตตาในคราวที่ไม่ควรจะเมตตาหรือในชั้นของการศึกษาเนี่ยศึกษาแต่เรามานั่งสมาธิจะเลยชั้นปริยัติเรามานั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะงั้นต้องดูในตัวประโยชน์ด้วยคือขั้นของการใช้ขั้นของการใช้ว่าจะต้องเกิดประโยชน์ด้วยอย่างที่บอกว่าธรรมะนั้น แม้จะทรงแสดงไม่มากก็ตามแต่ว่าใช้นั้นต้องใช้เปรตแค่ธรรมะเปรตใช้ตามสมควรแก่กรณนิดนั้นๆต่อเหตุการณ์นั้นๆจะอย่างที่คู่ปรับกันอย่างที่ว่าปาณาติบาตมันก็แก้โดยเมตตาแก้โดยเมตตาทินาก็แก้โดยสัมมาชีพไม่ใช่ว่างดเว้นศิ่งข้อที่หนึ่งแต่ไม่ประกอบสัมมาชีพแต่งดเว้นศิ่งข้อที่สองแต่ไม่ประกอบสัมมาชีพ วันลัมันก็ต้องมิจฉาชีพชุดได้เพราะคนเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นีธรร่ธรรมะก็จะแก้กันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นการเลือกเฟ้นธรรมโดยแยกคายจึงเป็นหลักที่ส่งแสดงไว้เป็นพิเศษนะเพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะแก่กาละแก่โอกาสแก่บุคคลแล้วก็ต่ อ, ตอไปก็ดูว่าอะไรควรปฏิบัติใช้คําว่าควรเสพนะภาษาบาลีวควรเสพคือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หมายความว่ามันเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์แยกได้แล้วบาปบุญก็แยกไอ้กูศนนะกูศนก็แยกได้แล้วเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์ก็แยกได้แล้วแต่อะไรควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติจะควรเสพหรือไม่ควรเสพนี่ก็ต้องเลือกเฟนเอาไปตามกาละตามสมควรโดยเล็งไปที่ผลเล็งไปที่ผลว่าอะไรที่เมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความทุกข์ก็เวน้นก็เวน้น อะไรประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความสุขก็ประพฤติปฏิบัตินี่ก็สามารถสร้างปัญญาของคนให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตในอัตภาพปัจจุบันนี้เองก็สรุปว่าทั้งธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงมาเป็นคู่คู่นะเป็นคู่คู่มาตั้งตั้งแต่ต้นคือเริ่มมาอายุน้อยอายุมากจนถึงปัญญาน้อยปัญญามากนะ ผลของอดีตกรรมนั้นคือเรื่องของอดีตกรรมมีมาอย่างไงมันมีมาเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะรับเชื้อบวกจากปัจจุบันของเราเช่นว่าอายุน้อยอายุมากอย่างเงี้ยฮะคือเราไม่เคยฆ่าสาัตว์มาในชาติก่อนแต่เกิดฆ่าสัตว์ในชาติปัจจุบันอายุมันก็น้อยได้ไอพวกที่เกิดมามีอายุน้อยแต่ว่าเกิดใจบุญใจกุศลขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอายุยืนได้ ไอ้พวกปัญญาน้อยก็เหมือนกันปัญญามากก็เหมือนกันนะพวกปัญญาน้อยถ้าเริ่มตั้งต้นใหม่ในปัจจุบันมันก็เพิ่มเป็นปัญญามากไอ้ปัญญามากถ้าประมาทว่าฉันมีปัญญามากอยู่แล้วไม่ศึกษาคนกว่าต่อมันก็น้อยได้เหมือนกันนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่บุคคลสามารถลิขิตชีวิตของตัวเองได้โดยอาศัยหลักกรรมคือการกระทําพระพุทธศาสนาเรานั้นถ้าหากว่จะพูดถึงเรื่องลิขิต อะไรลิขิตเนี่ยเราก็ถือว่ากรรมลิขิตกรรมเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความจงใจเจตนาของเราเองที่จะกําหนดเป้าหมายของชีวิตเราให้ดําเนินเดินไปในเส้นทางสายใดเส้นทางสายนี้ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าทรงแยกไว้คือสรุปแล้วท่านจะเห็นว่าพูดง่ายๆก็คือทางทางแห่งความทุกข์กับทางแห่งความสุขนั้นนั้นมีอยู่สองทางสุขก็สุขสุดยอดทุกข์ก็ทุกข์สุดยอดเหมือนกันสแสดงไว้โดยลําดับ ปัญหาว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนเท่านั้นแต่คนที่จะมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แกเราได้แท้จริงนั้นคือเรานะคือเราเองไม่ว่าใครไม่ว่าในชั้นใดก็ตามพระพุทธเจ้านั้นทรงประกาศพระองโดยเปิดเผยว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกให้เท่านั้นแต่การจะประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของเธอทั้งหลายจะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามด้วยตัวเอง แม้ว่าจะเกาะชายจีวรของพระองค์ไปในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าให้ศึกษาทําให้ปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมแล้วมันก็เหมือนกระทะผีเหมือนท่าผีที่ตักแกงก็ตักกันจนสึกหลอนหายไปหรือเหมือนกระเขียงอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้รสชาติของแกงที่ตัวตักดังนั้นพระสูตรนี้จึงได้เน้นในเรื่องกฎของกรรมเอาไว้แต่เป็นการแสดงในรูปของกําเนิดนะฮะและก่อนหลังก็อาจจะ เอากฎของกรรมในชั้นที่ละเอียดออกมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องของชีวิตเราเนีในระดับโลกแล้วหลักของกรรมกับหลักสังสารวัตรจะต้องเข้าใจและต้องจับประเด็นในแง่มุมต่างๆไว้ให้ได้ชัดเจนเพราะว่ามันมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและด้านลบให้แก่คนเราได้ตลอดตลอดไปตราบเท่าที่เรายังไม่หมดกรรมสาหรับวันนี้ก็ขอยุติไวด้ดยเวลาเพียงเท่านี้